ทีนี้ความหมายของคําว่าพักาวานายะต่อไปเลยนะครับคือนยะที่ห้าทรงมีคนพักดีอย่างนั้นแถอะก็บอกว่าจะมีใครที่มีคนพักดีเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับนะคนชื่นชมพักดีนับถือพระองค์เท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอีกแล้วอย่างนั้นเถอะทีนี้อธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพักาวาเนี่ยนะเพราะหมายความว่าทรงมีคนพักดีเนี่ยเป็นอย่างไร คือพระองค์นี้ทรงมีคนพักดีคือมีคนที่พักดีอย่างมั่นคงอยู่มากนะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนพักดีอยู่มากจริงๆเพราะเหตุนั้นจึงเชื่อว่าทรงมีคนพักดีเป็นความจริงว่าพระธถามโคดจ้าเนี่ยนะครับเชื่อว่าสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เพราะทรงพรั่งพร้อมด้วยคุณวิเศษที่มีอํานาจหาที่เปรียบประมาณไม่ได้นะครับคือคุณธรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ต้องหาเอาคนอื่นมาเปรียบมาเทียบมามาวัดหรอกครับ นนะถามว่าอะไรบ้างอ่ะเช่นมหากรุณาสมาบัติทั้งหลายนี่นะครับมหากรุณาเนี่ยมีใครเท่าพระองค์ในบ้างไม่ต้องเอาคนอื่นไปเทียบหรอกครับใครจะมีกรุณาเท่ากับพระองค์เนี่ยไม่มีแล้วและสัพพัญยุตยา น, นะครับสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ทรงมีทั้งมหากรุณามีสัพพัญยุตยานหรืออาสาธารณญานที่ไม่ต้องเอาใครไปวัดเลยแหละเพราะฉะนั้น พงก็เลยสูงสุดกว่าสัพพสัตทั้งหลายหรือว่าเชื่อว่าสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เพราะทรงมีอุปการะอย่างยิ่งยวดในหมู่สัตว์พร้อมกับทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยประโยค่าสมบัติอย่างยอดเยี่ยมนีรัศยใสเนี่ยนะครับอ๋อนี่รศัศย์ใสในครั้งที่แล้วเราแปลว่าไงนะี่อ๋อนี่รศัศยสก็คือไม่มีส่วนแห่งคุณอื่นที่ยิ่งกว่านี้แล้วนะครับในหน้าสิบเอดนะแปลไว้ว่า เป็นนิรัสัยคือไม่มีส่วนแห่งคุณอื่นที่ยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นบอกว่าพระองค์นี้สูงสุดกว่าสัพพสัตา์นี้เพราะทรงมีอุปการะอย่างยิ่งยวดในหมู่สัตว์กับทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยประโยคสมบัติอันยอดเยี่ยมนิรสัสไสนะครับคือไม่มีส่วนแห่งคุณที่ยิ่งกว่าอีกคือดีกว่านี้ประโยคะเยี่ยมกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววงั้นมีการบำบัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก่อน มีการจัดสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขให้ครบถ้วนเป็นเบื้องหน้าคิดดูนะถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยคะอย่างยอดเยี่ยมกำจัดสิ่งที่มีโทษให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยคืออะไรเคยคิดไหมครับพระวินัยปิดดกทั้งหมดนะถ้าพระภิกษุเรานะคือการกำบำบัดสิ่งที่มีโทษออกไปจากหมู่ภิกษุสงฆ์สาวกของพงค์นี่คือกาจัดออกไป ถ้าเป็นค า, ารวาททั้งหลายพระองค์ก็สอนเรื่องกรรมบทนะครับอกุศลกรรมบทที่มีโทษอนะ่ะพระองค์บอกว่าเออควรกําจัดออกไปเพราะมีโทษและพระองค์ก็พยายามที่เรียกประโยคน์านะคือพยายามภาพเพียรพยายามด้วยวิริยะอุตสาหะฉันทะเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อที่จะแนะนําทุกโทษภัยทั้งหลายของการล่วงละเมิดธรรมวินาการล่วงละเมิดศีลทั้งหลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชั้นต้นก่อนกําจัดตัวที่เป็นโทษออกไปก่อน แล้วก็จัดสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขให้ครบถ้วนเป็นเบื้องหน้านะครับควรที่จะได้รับประโยชน์สุขอย่างไรบ้างเช่นประโยชน์สุขด้วยการให้ทานเขาควรทําก็แนะนําเรื่องให้ทานไปประโยชน์สุขวันนี้เป็นศีลนะพระ อ, องค์ก็สอนเรื่องศีลประโยชน์สุขที่เป็นสมถวิปัสนาชานะพิญญามรุปนี่นะก็จะจัดแจงประโยชน์เหล่านั้นนั้นให้คู่ควรให้สมควรแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้น คุณครบถ้วนนะอย่างเช่นผู้ใดปรารถนาตําแหน่งใดๆนะพระองค์ก็ทําให้เขาสําเร็จสมประสองค์อันนั้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้สัตว์ทั้งหลายได้ได้สมควรอนนั้นจริงๆเช่นพระสารีบุตรเนี่ยนะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอัครสาวกเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มียความยอดเยี่ยมแห่งปัญญาหาหาผู้เทียบไม่ได้เลยเนี่ยนะครับพองค์ก็จัดแจงให้ได้ปัญญาเป็นเลิศขนาดนั้น พระโมคคัลลานะเนี่ยยอดเยี่ยมในด้านฤทธิ์พอองก็จัดแจงให้ให้ท่านได้สําเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะครับพระมหากัสสปะได้ตั้งความปรารถนาพอองก็จัดให้ได้สมความประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จัดจัดจัดให้คู่ควรแล้วแต่ว่าพอพูดมาถึงตรงนี้ผมนึยกยังไงนะพระองค์ก็จัดให้เราคู่ควรแล้วว่า พวกเธอเนี่ยทําบุญมาคู่ควรแค่ได้อ่านได้ฟังเท่านั้นแหละว่างั้นแต่ก็ต้องห่างแล้วหน่อยนะเธอคู่ควรมาเท่านั้นอนะ่ะเอาทําเหตุมาเท่านี้นะครับจะไปบน่นเอาอะไรอีกนะครับคู่ควรแล้วละ่ะผมนึกว่าเออยังได้เรียนได้บุญได้เรียนได้ฟังได้นี่ก็พอแล้วละ่ะคือคือสมควรแล้วล่ะนะทําเหตุมาเท่านี้นะครับจะร้ อ, องเรียกเอาอะไรอีกเพราะสัตว์มีกรรมเป็นของตนแล้วเรารับเท่านี้ก็เนี่ยเหตุเนี่ยนะ ทำมาเท่านี้จริงๆถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ทําเป็นไงเขบอกควรที่จะสังเวทว่าเราในแหมสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ยังมีพระชนอยู่มัวไปทําอะไรอยู่นะครับนะคงมัวประมาทคล้ายๆกับ เ, เรื่อยๆนะประมาทคล้ายๆตอนที่จิตเป็นอกุศลว่า ง, งั้นเถอะเพราะฉะนั้นให้ให้สลดใจสังเวทใจไว้เถอะถ้าอย่างนี้ก็เป็นกุศลเนาะแต่ว่าผมได้ยินอาจารย์บางครัง้งบางบา ง, บางท่านบอก เวลาพูดอย่างนี้ขึ้นมาว่าอ้าวแล้วจะมาพูดทําไมล่ะอะไรทำนองเนี้ยเราจะไปเศษแล้วก็ใว่าทําหน้าที่ตอนนี้ทำมันดีๆก่อนเถอะคือถ้าพูดในลักษณะนี้ก็จะทําให้เห็นว่าเรามีน้อยคนที่พูดว่าตัวเองมีน้อยทําไงครับสังเกตดูในในธรรมบทหรือในชาดกเป็นต้นเนี่ยนะทุกขตะทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะคิดที่เรามายากจนเข็นใจเนี่ยเนื่องจากเราให้ทานมาน้อย<ม>พอคิดอย่างงี้ก็จะให้ทานนะครับปรารบกรรมมสัสกาก่อน นะก็มีมีกรรมสกตาเป็นเบื้องหน้านะครับหรือก็ปารออย่างมีหลายหายแห่งนะครับที่ปารอลักษณะนี้นะอย่างเช่นนายพัตตาพัตพตาพติกานะครับก็บอกว่าเออนี่นะเราเนี่ยมันทําบุญมาไม่ดีอะจะกินข้าวถ้วยหนึ่งทํางานสามปีอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากไม่ค่อยทําบุญไว้นั่นเองเพราะนี่ก็เลยให้ทานหรือว่าเช่นสุเมนทกะเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากทําบุญมาไม่ดีหรือว่ามีมีบุญเนี่ยจึงได้มาปร ะ, ประสบกับภัยคือ อดอยากปากแห้งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอดอยากทุบพิกระไพอาหารหายากเนี่ยนะชาตะกระไพรหิวโหยทั้งหลายอลไเนี่ยเพราะเนื่องจากทําบุญมาไม่ดีเหมือนกันแ เ, เห็นพระประแจกเลยรีบทําบุญใหญ่เลยอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับพอเราบอกว่าอดีตน้อยเนี่ยนะครับก็จะได้มองอนาคตได้พูดอดีตเพื่ออย่างถึงอนาคตนะสังเกตดูนะผู้จะพน์จะแสดงอดีตอดี ต, อ, ดตอนาคตและค่อยปัจจุบันนะครับจะได้สมควรก่เหตุและผล อติตานาคตังนะครับอดีตอนาคตและปัจจุบันนะครับพระองค์จะแสดงในลักษณะนี้ของเราที่มาปาราบในอดีตไม่ได้ปาราให้มันเศร้าส้อยเลยเหี่ยวห้อยอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนครับพูดให้เห็นว่านี่นะอดีตทํามาไม่ดีเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ควรที่จะสังวรสำเนี๊ยกเอาไว้ให้ดีนะครับจะต้องศึกษาสมาทานเพื่อความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ แต่ถ้าหาว่าคิดแล้วเป็นอกุศลก็ไม่ควรคิดนะครับแต่ทีนี้หมายคาอว่าคิดเพื่อส่งเสริมกุศลเพื่อที่จะได้ภาคเพียรพยายามนะครับเพื่อเจริญวิริยินทรีต่อไปนะครับการคิดอะไรก็ตามถ้าคู่ควรแก่วิริยินทรีตแล้วให้คิดให้มากๆนะครับคิดแล้วเกิดความเพียรความพยายามอุตสาหะปารพนะครับอันพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องภายในอบายภายในสังสารวัฏเนี่ยนะปองก็สอนเยอะเช่นอ่า พระ อ, องค์นี่พูดเป็นวักๆเลยนะครับเป็นสังยุตเลยเรียกว่าสังยุตว่าด้วยสังสารวัตอันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับไม่มีเบื้องต้นและที่สุดเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็แสดงถามว่าแสดงทําไมเพื่อให้เห็นความเป็นไปของสังสารวอันไม่มีที่สุดแล้วจะได้ภาคเพียรพยายามบําเพ็ญธรรมะของพระ อ, องค์เพื่อบรรลุมรผลว่าทางนี้พระ อ, องค์ชี้ไว้แล้วนะแต่ไม่ไดแบบ้โอ้ยสังสารวัตนี่มันยาวจริงๆเสร็จและะ้วก็ท้อนะถ้าท้อนี่ไม่ใช่คําสอนแน่นอนครับ คํนะาสอนนี้ไม่ได้สอนให้ท้อแท้นะมีแต่มีแต่ภาคเพียร น, นะเช่นวิริยะพระวิริยะสัมโพธชงวิริยินรีย์เป็นต้นเนี่ยพวกนี้เพื่อกําจัดความท้อแท้แต่อย่าลืมว่าความเพียรพยายามเนี่ยมีสังเวชเป็นเหตุใกล้นะครับเพราะว่าบุคคลเมื่อสังเวชแล้วก็จะภาคเพียรพยายามแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักสลดไม่รู้จักสังเวชอะไรเลยเนี่ยยากที่จะเจริญซึ่งข้อความตรงนี้จะมีข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะ ก, กล่าวข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้พระองค์นี้ชื่อว่าสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เนี่ยนะครับเพราะพระองค์นี้ทรงมีรูปประกายประดับด้วยคุณวิเศษอันไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นนะทีนี้ถ้าเรามาพันธนาแบบรูปประกายก่อนอร่างกายของพระองค์เช่นประกอบด้วยมหาุริศลักษณะสามสิบสประการนะถ้าอยากจะดูก็ดูได้ในลักนณะสูตรหรือว่าพรห ม, มายุสูตรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะแสดง มหาบุริสลักษณะแต่ละอย่างตั้งแต่ผมจรดเท้าเลยนะครับถ้าลักขณะสูตรก็พูดถึงเหตุด้วยแต่ของเราก็คงได้ฟังเรื่องกรรมมาแล้วนะเรื่องใน เ, เรื่องกรรมก็พูดถึงพระพุทธคุณในส่วนนั้นแล้วนะครับในร่างกายว่าธงทําเหตุอะไรมาบ้างจึงมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตามีแขนมีขามีอกพึงไหล่กว้างเนี่ยนะครับคลางเหมือนราชสีเป็นต้นนะแต่ละอย่างก็มาแสดงหมดละ และพระ อ, องค์ก็ยังประดับด้วยอนุพยัญชนะอีกแ0ดสิบประการและภรรสมีที่แผ่ซ่านออกไปวานหนึ่งเป็นต้นคือวานหนึ่งเนี่ยเป็นปกตินะครับแต่ถ้าพระ อ, องค์ประสงค์เนี่ยมากกว่านั้นนะครับให้เป็นแสนโกจักาวาลก็ได้แต่ว่าปกติก็วานหนึ่งนะครับออกจากพระรู ป, ปกายอ่นะนี่พูดถึงความสูงสุดในด้านร่างกายของพระ อ, องค์เขาบอกว่าเอ๊ะ เทวดามาคิดนะเอ๊ะถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปในดาวดึงเนี่ยน่าจะรัศมีเทวดากลบหมดที่ไหนได้นะครับพระองค์เนี่ยมีรัศมีกรบเทวดาทั้งหมดไปในหมู่พรมเนี่ยพระองค์ก็เด่นกว่าพรมทั้งหมดนะนะก็บอกอะไรที่เห็นเด่นเตะตาเป็นครั้งแรกเหมือนกันสำนวนนะปรากฏชัดที่สุดคือพระพุทธเจ้าคิดดูนะฉับพันนรังสีเนี่ยนะครับแผ่ออกมาเนี่ยสีแต่ละอย่างเนี่ยครับที่ที่จิตมานาสิการได้ไวเนี่ยสีเหล่านั้นนั้นที่จิต มนัสิกาในวายเนี่ยอยู่ในคุณของพระองค์หมดเลยอยู่ในรูปของพระองค์หมดเลยเพราะนั้นสีที่ใดที่คู่ควรแก่ศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นมีบริบูรณ์ในพระองค์หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยสูงสุดเนี่ยนะผู้ใดด้านรูปประการนะครับงามกว่าพรมเหมือนกันเถอะแล้วก็ชื่อว่าสูงสุดกว่าสรรพสัตว์เนี่ยนะครับเพราะประกอบด้วยเสียงสะดุดีที่แสนไพ่บูรณแสนบริสุทธิ์แผ่ไปในไตรโลก อันเป็นไปโดยในเป็นต้นว่าอิติปิสโสภควาซึ่งพระองค์ทรงได้จากพระคุณตามที่เป็นจริงก็บอกว่าในบรรดาคนมีชื่อเสียงที่สุดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็บอกว่าแพผ่ชื่อเสียงไปในโลกธาตุนะครับโลกสามเลยนะครับเนี่ยก็กว่าถามว่าโลกสามเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับก็ยังสรรเสริญอิติปิสโสภควาอารหังสัมมาก็สรรเสริญตามผู้ควรแต่ความเข้าใจของคนนั้นนั่นนะนะ แต่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับฟังแล้วเสียงสรารเสริญเหล่านี้ก็หึ่มไปทั่วนะครับกระหึ่มไปทั่วนะไม่ว่าจะเป็นเชา้าเป็นเย็นทั้งหลายแลยเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงสรารเสริญ น, นี่จะพูดแบบมนุษย์มนุษย์นะแล้วเทวดาทั้งหลายที่เป็นพระโสดาบานันเป็นพระสกทาคามีหรือพรหมทั้งหลายที่เป็นพระอนาคามีท่านจะไม่นึกถึงคุณของพระ อ, องค์เลยไงเทั้งเหล่านั้นก็จะชื่นชมยกย่องนี้ได้พระ อ, องค์มานะท่านจึงได้สมบัติทั้งหลายเหล่านี้ดั้นคนเหล่านั้นก็จะชื่นชมพระพุทธเจ้า แม้แต่ผู้ที่ไปเกิดเป็นในอรูปรภพเนี่ยนะครับที่ได้บรรลุอริยะคุณทั้งหลายแล้วเนี่ยนะเป็นท่านก็ยังชื่นชมอีกนะครับว่าสมบัติเหล่านั้นนั้นที่ท่านได้เพราะเพราะเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉันเสียงระบือคือก้องไปเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็ยังชมเลยนะครับชมมาทั้งหลายวันแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยครูคูกบอกว่าอารหังคํานึงก็คือควรแก่การชื่นชมเพราะฉะนั้นท่านมีความดีอะไรมาชมเถอะครับ คนพาณิชย์ก็ชมมานักต่อนักแล้วเลยมาชมคนดีมั่งจะเป็นไรไปใช่ไหมครับทีคนเลวก็พูดถึงบ่อยจังเอาคนดีๆมาพูดมั่งเอ่ะก็เอางี้นะครับคนทั้งหลายโดยมากจะชอบพูดถึงคนเลวก็รู้ว่าเขาชั่วแล้วก็เอามาตําหนิเอามาพูดซ้ำซากก็เขาชั่วนะเราพูดถึงบ่อยๆเอะเราก็น่าจะติดติดเชื้อมาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าพูดเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ดีเท่านั้นนะครับแสดงว่าเชื้อนั้นระบาดมาถึงเราแล้วอะตอนนี้ เราก็มาเจริญชื่นชมคนที่ดีๆเนี่ยนะครับอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีที่สุดเหนือสรรพสัตว์เราก็ชื่นชมท่านนะท่านเป็นพระอรหันเนี่ยนะครับก็บอกว่าคนที่ชมคนที่ควรติหรือติที่ควรคนที่ควรชมเนี่ยบาปเท่ากันนะครับชมคนที่ควรติติคนที่ควรชมเนี่ยมีโทษเท่ากันในขณะเดียวกันตําหนิคนที่คู่ควรกับการตําหนิชมคนที่ควรชมอันนี้ก็มีบุญเท่ากัน เพราะฉะนั้นเราก็ให้รู้ว่าใครดีใครชั่วเป็นต้นนี้เป็นมงคลข้อหนึ่งข้อสองเลยนะครับในบรรดา ม, มงคลสามสิแปดถ้าไม่รู้จักมงคลข้อต้นๆ น, นี้ก่อนนี่อย่าวังความเจริญงอกงามในศัตรูธรมเลยนะครับยากมากาทีนี้ต่อไปนะพระองค์นี้ชื่อว่าสูงสุดกว่าสัพพสัตว์เนี่ยนะครับเพราะพระองค์นี้ดํารงมั่นอยู่ในพระคุณมีความมักน้อยและสันโดษเป็นต้นที่ถึงขั้นเป็นบารมีขั้นสูงสุดนะครับ คือว่ามักน้อยเนี่ยนะครับไอ้คำว่ามักน้อยเนี่ยนะถ้าพูดแบบถ้าไม่ประสงค์จะให้หรือว่าเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายนะพระองค์จะไม่เอาคุณธรรมของพระองค์มาพูดเด็ดขาดว่าพระองค์มีอะไรบ้างแต่เนื่องจากพระองค์แสดงพระองค์เปิดเผยแล้วสัตว์ทินรีย์เป็นต้นของสัตว์จักเจริญขึ้นอนะ่ะพระองค์เลยแสดงเอาไว้นะครับไม่ได้แสดงเพื่อโอ้อวดเป็นต้นเลยพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งในบรรดาผู้มักน้อยทั้งหลาย นะครับแต่ที่มาเล่าให้ฟังมาบอกเนี่ยนะครับเพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลสัตว์นั่นเองเพื่อที่จะปรับอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์ทินทรีย์เป็นต้นเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ไม่ว่าในด้านปัจจัยสีก็นับว่าเป็นผู้สันโดดที่สุดนะครับกินดีตามมีตามได้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับมีเพียบพร้อมบริบูรณ์หมด หรืออย่างหนึ่งพระ อ, องค์นี้ชื่อว่าสูงสุดกว่าสรพรพสัตว์เพราะทรงประกอบด้วยคุณณวิเศษอันยิ่งยวดมีทศพลยานจะตุเวสารชยานเป็นต้นนะครับทศพลยานก็คือยานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าสิบประการนะอย่างเช่นนะครับพระ อ, องค์นี้รู้อะไรเป็นฐานะไม่ใช่ฐานะอะไรเป็นปัจจัยของอะไรอะไรไม่เป็นปัจจัยของอะไรในรู้ชัดเจนอย่างอย่างแจ่มแจ้งหมดบริบูรณ์และกรรมวิปากยานนะครับใครทํากรรมอะไร วิบากจะได้รับเมื่อไหรเช่นฟังธรรมเท่ากันเนี่ยนะบางคนอาจจะผลของบุญที่เกิดจากการฟังธรรมบางคนก็อาจจะไปสุคติ น, นะบางคนก็เป็นมนุษย์บางคนก็เป็นเทวดาบางคนก็ตระกูลพราหมณมหาศาลบางคนก็ตระกูลกษัตริย์มหาศาลเนี่ยนะมาจากกรรมเหาใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยพวกรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดหมดนะครับคนทําบาปพร้อมกันไม่ใช่ว่าจะบาปเท่ากัน คนนั่งฟังทำด้วยกันก็ใช่ว่าจะเข้าใจเท่ากันเพราะฉะนั้นเจตนาอันนั้นก็ใช่ว่าจะให้ผลเท่ากันพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดหมดนะครับวิเคราะห์ได้เลยว่าเจตนาอันนี้ให้ผลเมื่อไรให้ผ ล, ผลกี่ระยะแล้วเด่นด้อยต่างจากคนอื่นยังไงยังไงเป็นต้นเนี่ยแยกแยะได้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกําลังของพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็ยังรู้อาศยานุยาสยอาศญะอัธยาศัยของสัตว์เนี่ยเป็นยังไงยังไงแต่ละคนมีอัธยาศัยยังไงก็รู้หมด อนุใสเนี่ยนะครับหมายถึงกิเลส ท, ที่มีกําลังของสัตว์นั้นๆเนี่ยนะถ้าอะไรกระทบเนี่ยจิตนั้นเขาจะเป็นแบบไหนแบบไหนพระองค์รู้หมดเลยว่างั้นแหละสำนวนเรียกว่าคนที่ชํานาญในการเคาะเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยเคาะแค่นี้เสียงนี้หมายถึงอะไรนี่รู้หมดเลยว่างั้นเลยพระองค์นี่อย่างก็รู้พักเลยนะผู้ที่ชํานาญในสีบอกได้หมดชํานาญในเสียงบอกได้หมดพระองค์นี่ชํานาญในอัธยาศัยนิสยัยจริตพฤติกรรมคําพูดของสัตว์เหล่านั้นๆบริบูรณ์ครบถ้วนหมดเลยนะครับ แล้วพระองค์ก็ยังรู้ถึงความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายด้วยนะครับว่าคนนี้เนี่ยนะศรัท ธ, ธา ม, มากนะแต่ความเพียรขาดไปสติสมาธิปัญญาเนี่ยอ่อนไปนะครับแต่ศรัท ธ, ธา ม, มากบางคนนี่เออศรัท ธ, ธากวิริยะสูงแต่สติยังไม่ค่อยดีอะไรไปจนไรความยิ่งความหย่อนหรือว่ามีศรัท ธ, ธามีสติพระองค์แยกได้หมดเลยบางท่านแต่เหมือนกับมิเตอร์แยกแยกได้เบ็ดเสร็จหมดว่าอะไรใครเท่าไหร่คู่ควรแก่ขนาดไหนมันช่างได้เท่าไหร่คํานวณได้เท่าไรพระองค์ก็ยัง รู้แจ้งแทงตลอดถ้าไม่รู้ขนาดนั้นพระองค์สอนศาตว์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้หรอกครับถ้าไม่รอบรู้ขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่าความรู้เหล่านี้กว่าจะมีได้ก็สีอสงไขยแสนกับนะครับวิชาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราได้มีเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดีแล้วเพราะว่าบำเพ็ญบารมีกว่าจะได้มีวิชาเหล่านี้ขึ้นมาในโลกเนี่ยบำเพ็ญบารมีมามหาศาล แล้วเราเกิดมาพบมาเจอเจอแล้วเราไม่เรียนเอาไว้นะครับวิชานี้ก็สูญไปจากโลกเปล่าๆโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียสงไขแสนกลับจากพระ อ, องค์เราน่าจะได้รับอะไรสักอย่างจากพระ อ, องค์บ้างอย่างน้อยมีศรัทธามีสุตตะได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้กว่็ยังดีนะครับในบุญแค่นั้นกับยังนีล้ละไอ้ยังดีนี่หมายคขาว่าก็ดีกว่าเลวไม่ได้อะไรเลยแต่ที่จริงก็ไม่คู่ควรวนะอาแค่นี้ก็พอแล้วชันสันโดษในกุศลแล้วไม่ใช่อย่างง่านนะครับ มาอย่างนั้นเพราะจะต้องเพียรพยายามอันนี้ต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอ่าแล้วว่าพระองค์นี่นะครับอย่างมีจตุสาเวรียชายานที่กล่าวไปเมื่อเมื่อเช้าที่บอกว่าพระองค์นี้มีอ่สาสัมมาสัมพุทธปฏิญญาเนี่ยนะครับบอกว่ามีมีใครไม่กล้าพูดหรอครับว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้านะ แต่ว่าท่านยังไม่รู้อันนั้นอันนี้นี่เป็นต้นเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครกล้าพูดตําหนิพระองค์ได้โดยสหสหธรรมนะครับเว้นไว้แต่คนหาเรื่องอย่างที่ว่าไปหรือว่าท่านปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันต์แต่ยังเหลือกิเลสอันนั้นอันนั้นก็ไม่มีใครหาเรื่องพระองค์ได้นะครับคนดีเนี่ยแต่นางจินจะมานะักวิการนี่ก็เอาเป็นประมาณไม่ได้นะครับหาเอาคนเมาเป็นประมาณไม่ได้หรือว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าเป็นอันตรายมีโทษมันก็เป็นอันตรายมีโทษอย่างนั้นจริงๆ ธรรมะที่พระองค์บอกว่าพ้นเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะที่เรียกว่า น, นิยานนี่ก็ทําเป็นธรรมเป็นเครื่องทําให้พ้นจากวัตจัทุกข์ก็พ้นจากวัตจัทุกข์ได้จริงๆนี้เนื่องจากพระองค์มีญาณเหล่านี้นั่นเองทําให้พระองค์แกล้วกล้านะครับแล้วยานของพระองค์ไม่ได้มีอยู่เข้านี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องญาณญาณว่าพระองค์มีญาณอะไรบ้างก็ดูได้นะครับในญาณ น, นากา 3, าักถาคัมภีร์ปฏิสัมพิธามมัชนะครับเล่มหกสิบแปดทั้งเล่มเลยนะครับฉบับเก้าสิบเอดเล่มนะ ก่อนหน้านั้นนะะครับโอ้พระองค์นี่มีปัญญาจริงๆเลยนะจนคนโง่เห็นแล้วหาววังงั้นนะ น, นะครับและพระองค์นี้ก็เชื่อว่าทรงเป็นยอดคือทรงเป็นฐานให้เกิดความพักดีพร้อมมูลนะคือเมื่อมีคุณธรรมดีขนาดนี้สัตว์ทั้งหลายก็พักดีในพระองค์ใช่ไหมครับใครก็ต้องพักดีกับพระองค์แม่เขาดีขนาดนี้จะไปเปลี่ยนพักทำอะไรนะครับเปลี่ยนนายทำอะไรเปลี่ยนทำอะไรนะครับ คนดีขนาดนี้แล้วปเป็นต้นนะไปเปลี่ยนสาระเปลี่ยนที่เพิ่งเปลี่ยนาศาสนาไปทําอะไรเมื่อในในก็ได้นับถือผู้ที่มีคุณความดีที่สุดในโลกแล้วว่างั้นเหรในโลกสามด้วยไม่ใช่โลกเดียวนะครแล้วพระองค์นี้ทรงเป็นบอกเกิดแห่งความเอื้อเฟื้อนะครับสัตว์ทั้งหลายพอได้ยินได้ฟังเรียนรู้ที่จะไม่นับถือไม่มีหรอกครับถ้ารู้คุณของพระองค์จริงๆเนะี่ยก็จะเอือ้อเฟื้อนับถือแสดงความเคารพ เคารพแค่ไหนก็บอกว่าพุทธัทงสารนังคัจฉามีวังนั้นเอาเป็นสาระเลยนะแทบมามอบกายถวายชีวิตเลยนะยเขาเรียกว่าอัตตะสันนิยาตะนะมอบกายถวายชีวิตเลยนะบางคนก็เป็นะปณิปาตะเนี่ยขอนอบน้อมมาว่าจะไปที่ไหนก็จะขอนอมน้อมแต่คนดีเท่านี้แหละวังนั้นเด็กคือนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบนี้นะ อย่างอลรวากะยักษ์เป็นต้นนะครับพระเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองบางท่านก็บอกว่าจากป่าสู่ป่าจากเข า, เขาสู่เขาสาตาคิรยักษ์เนี่นเพื่อนมัสการพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นะครับเขาจะขอติดตามนอบน้อมมาเพราะว่าไม่รู้จะนับถืออะไรที่ดีที่สุดกว่านี้อีกแล้วงั้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็เอื้อเฟื้อในพระองค์เคารพนบ น, บนอบเชื่อฟังนะครับเงี่ยหูลงฟังเลย เป็นสมัยพุทธกาลด้วยนะครับเขารอฟังดูที่พระองค์จะพูดอะไรนะครับถ้าใครมาแกแอมนี่เข่าใกล้ๆนี่กระทุงนะ่งอะไรไอ้พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมนะนะกระทุ่งเลยนะครับไม่มีเสียงกแกล้มก็ไอเด็กขาดเขาจะพระพุทธเจ้าจะพูดอะไรนะครับเขาพักดีเขาเคารพขนาดนั้นนะครับก็บอกว่าพระองค์เนีนั่งนิ่งตลอดกลับที่สูเหล่านี้ก็จะนิ่งได้ตลอดกลับเหมือนกัน เพราะความเคารพนะครับความเคารพความยำเกรงความนับถือจะไม่เคารพยำเกรงนับถือได้ยังไงครับพราะองค์ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงๆเอาเถนะเอางี้นะใครจะมาแต่งตั้งให้เราได้ดิบได้ดีเลยทันทีเนี่ยนะครับแหมเราจะไปต่อล้อต่อเถียงท่านทําอะไรใช่ไหมครับเขาจะให้เราได้ดีอยู่แล้วนะครับหรืออํานาจชี้ขาดเหมือนกันอยู่ที่ท่านอ่ะเสร็จแล้วเราเนี่ยเนื่องด้วยท่านชีวิตเนื่องด้วยท่านทุกอย่างเนี่ยนะ น่าจะไปอวดดีกับท่านทําอะไรเพราะฉะนั้นก็มีแต่ความเคารพมีแต่ความนับถือมีแต่ความชื่นชมเ อ, อื้อเฟื้อขอให้พระองค์ตรัสเถอะว่งงางั้นจะจําเอาไว้จําเอาไว้วจะไปปฏิบัติตามด้วยนะว่งงางั้นแต่ขอให้พระองค์ทรงแนะนำเถอะถ้าเป็นพูดสมัยแบบสมไยนี้นะเขาบอกว่าใครให้หวยเป็นนะครับโอยลุกล้ลุดลนเลยนะครับขอให้ท่านพูดกับแอมมาคำหนึ่งก็จะฟังว่า ง, งั้นนะให้เงียบก็จะเงียบว่า ง, งั้นให้ทําอะไรก็จะทําขอให้เขาช่วยสมบัติเนี่ยนะ หรือว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนะครับลูกน้องทั้งหลายนี่ก็โอ้ไปสูงฮ ก, ก น, นะไปยอมรับนับถือเพราะเขาอาจจะช่วยยศช่วยตําแหน่งช่วยอย่างอื่นเป็นต้นนะี่อันนี้พระพุทธเจ้าช่วยให้เขาได้สมบัติทั้งสามประการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแม้ใครจะไม่นับถือเป็นต้นนะนะก็เห็นคุณของพระองค์คนก็เลยพักดีโอ้ ใช่ไหมเช่นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ว่าแม้ถ้าเจริญพุทธคุณเป็นต้นจะมีอนิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้เอามั่งอะ่พอะพ่อป่าถนาอนิสงส์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นนะนะพระองค์เนี่ยคนเลยพักดีกับพระองค์จริงๆนะครับเพราะพระองค์นี่จัดแจงประโยชน์ให้เขาได้จริงๆอะ่ะไม่ใช่นับถือแล้วก็นับถือแล้วพระองค์ทําอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรก็ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะพระองค์บอกหมดเลยถ้าเธอปฏิบัติตามนี้ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระองค์จัดแจงประโยชน์เหล่านั้นนั้นได้แต่แต่ถ้าคุณต้องททําาได้ออย่่งีฉันนบกะ อย่างนี้นะทีนี้ต่อไปว่าพระองค์นี้ทรงเป็นบ่อกเกิดแห่งความเอื้อเฟือ้อความนับถือความเคารพอย่างมากของสัตว์ทั้งหลายไม่จำกัดรวมทั้งเทวดาและมนุษย์ไม่จำกัดคิดดูนะเป็นพันๆปีแล้วนะครับแล้ว ผู้ที่ยังชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่อีกหลายกับนะเช่นพระอนาคามีที่เกิดในสุทาวาตพรมนะก็ยังนึกชื่นชมพระพุทธเจ้าต่อไปอีกอีกหลายกับนะครับเพราะว่าบุญคุณที่พระองค์ได้ทรงแสดงทำให้บรรลุโลกุตระธรรมเหล่านี้เนี่ยครับที่ท่านได้รับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการชื่นชมเคารับนบนอบกราบไหว้และลืกถึงอยู่ตลอดนะครับ และพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสในทุกด้านอ่างนั้นเถอสมันตะปาสาธิการเนี่ยนะจะพูดงี้ก็ได้นะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสได้โดยรอบเลยนะครับตั้งอ่ะสำนวนว่าร่างกายก็หัวจดเท้าคำพูดก็ทุกถ้อยกระทงความพฤติกรรมการเดินการยืนการนอนเป็นต้นดูแล้วมันน่าเลื่อมใสไปหมดสิ่งที่พระองค์พูดถึงว่าน่าเลื่อมใสเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับ โดยโดยทรงนําความเลื่อมใสามาให้โดยประการทั้งปวงในโลกสันนิวาสนะครับเขาบอกว่าผู้คู่ควรแก่การเลื่อมใสแบบไหนนะผู้ที่คู่ควรแก่ความเลื่อมใสมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ในสัมผัสมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นโลกสันนิวาตเนี่ยนะมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ยึดถือเนี่ยนะคนเลื่อมใสคนเนี่ยนะเพราะเหตุสี่ประการนะครับที่ที่เลื่อมใสสมณะพราม์ทั้งหลายเนี่ยนะเลื่อมใสด้วยเหตุสีประการอย่างหนึ่ง บางคนก็พูดถือรูปเป็นประมาณก็เลื่อมใสในรูปนะครับโหทีนี้คนที่เห็นรูปร่างผิวพรร์ของพระพุทธเจ้าจะไม่เลื่อมใสไม่มีอ่าที่พวกที่นับถือรูปทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับบางคนพูดที่ถือเสียงเป็นประมาณก็จะเลื่อมใสในเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมเทศนาของพระองค์หรือเสียงที่คนอื่นๆชื่นชมต่อพระองค์เนี่ยนะครับผู้ที่จะนับถือแบบนี้นะก็มีอีกให้นับถืออีกนะครับ หรือว่าผู้ที่ถือความเศร้ามองเป็นประมาณก็เลื่อมใสในความเศร้ามองในเรื่องของความเศร้ามองเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยควรที่จะฉันสํำรับทองคําใช่ไหมครับภาชนะทองคําเป็นต้นนอนในที่นอนที่ดีดีหอมผ้าชั้นดีเป็นต้นแต่เปล่ามันนุ่งหอมผ้าบังสกุลเป็นนุ่มเศร้ามองเก่งเก่งเห็นแล้วก็เลื่อมใสเลยนะครับมาใช้สอยละนะไปที่ไหนก็แทนที่จะมีคนหามก็เดินเองอะไรเองเป็นต้นอะก็เลยเศร้ามองนะครับ เพราะฉะนั้นเห็นแล้วเลื่อมใสเลยนคนที่จะเลื่อมใสแบบนี้อยู่แล้วเห็นพระพุทธเจ้าเลื่อมสเลยนะครับหรือว่าผู้ที่ถือทำเป็นประมาณก็เลื่อมใสในธรรมนะครับคือโอ้โหพระองค์เนี่ยทรงธรรมทรงวินัยนะประกาศธรรมแสดงธรรมมีคุณธรรมมากมายมหาศาลถ้าจะเลือกนับถือเฉพาะที่เรียกว่าธรรมะก็ได้ธรรมะในพระองค์นคั่นแต่เพราะฉะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบด้านเป็นที่ตั้งแห่งความนับถือรอบด้านนะนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเลื่อมสายใครนะว่าโอ้พราะเขามีชื่อเสียงก็ไม่มีใครมีชื่อเสียงถ้าพระพุทธเจ้าถ้าจะเลื่อมใสในเพราะว่าโอ้รูปร่างดีผ้ารูปงามก็พระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละถ้าจะเลื่อมใสายองค์นี้เคร่งจังสันโดดจังมักน้อยจังใช้ของเศร้ามองพระพุทธเจ้ามีแต่องค์นี้เลิศในธรรมะก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอีกมันถ้าจะเลื่อมสใน4อย่างในอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลื่อมสในพระพุทธเจ้าเถอะครับไม่ผิดหวังเพราะมีอย่างที่ว่าครบถ้วนหมดเลย เพราะว่าบุคคลเหล่าใดตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวเนี่ยนะครับความพักดีของบุคคลเหล่านั้นนั้นอันใครๆจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์เทวดา ม, มารหรือพรหมก็ลักไปไม่ได้คือศรัทธาที่มีต่อพระองค์นั้นะเป็นอริยทรัพย์นะครับเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้เลยนะแต่เคยได้ยินนะครับว่าสุปปพุทะเนี่ยนะครับ ที่ท้าวส ก, ก่านะีมาบอกว่าเออเลิกนับถือเถอะฉันจะให้แกอย่างนั้นอย่างนั้นท้าวสก่าก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นของสุปปพุทธะได้เพราะว่าเขาพักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงจริงจริงนะเนื่องจากพระองค์มีคุณธรรมอย่างที่ว่าเนื่องจากช่วยสุปปพุทธะให้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นนะนะเพราะฉะนั้นใครจะไปเปลี่ยนแปลงศรัทธาของพระอริยบุคคลทั้งหลายนี่นะที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดทําได้อย่างเด็ดขาดนีนะ แล้วก็เป็นความจริงว่าบุคคลเหล่านั้นแม้ตนเองจะต้องเสียชีวิตก็จะไม่ยอมทิ้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นหรือคำสั่งสอนของพระองค์เพราะมีความพักดีอย่างมั่นคงนะครับคือพักดีจนขนาดที่ว่าตายก็ยอมอ่ะจะไม่ยอมเปลี่ยนใจหันไปนับถือคนอื่นเหมืงนกันเถอะหรือว่า จะตายก็ยอมจะไม่ขอล่วงละเมิดคําสอนของพระ อ, องค์อย่างเช่นนะเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะในอัตถกถาจะพบเห็นพระที่ยอมตายนั่นะนะเนื่องจากไม่ยอมขาดศีลเนี่ยเนื่องจากเชื่อตั้งมั่นในโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้านะโดยเฉพาะดูในอัตถกถาสติปทานสูตรหรือแม้กระทั่งภาษารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะก็โพักดีแม้จะตายก็ยอมบางสำนวนก็บอกว่าจะไส้มันจะออกมาข้างนอกก็ไม่ยอมประพฤติล่วงละเมิดคําสอนของพระ อ, องค์เด็ดขาดเหมือนกัน เขาพักดีกันขนาดนั้นเนี่ยนะครับเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดแลเป็นปราตเป็นผู้กระตันยูกะตะเวทีผู้นั้นย่อมเป็นกาลยาณามิตรและมีความพักดีอย่างมั่นคงนะเขาก็ยกตัวอย่างนะว่าผู้จน์แบบนี้ก็มีและพระองค์ตรัสว่าดูความพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุดตั้งอยู่เสมอฝั่งเป็นธรรมดาไม่ล้นฝั่งฉันใดเนีย่ยนะสมุดทั้งหลายเนี่ยนะพิสูจทั้งหลาย เหล่าสาวกของเราก็จะไม่ยอมล่วงละเมิดศีขาบทที่เราตถาคตบัญญัติแล้วแกสาวกทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตฉะนั้นเหมือนกันและถ้าสาวกของพระองค์นะถ้ารู้ว่าสิ่งนี้พระองค์ห้ามนะตายก็จะยอมจะไม่ล่วงละเมิดนะทาสาวกนะเน้นนะท่าสาวกแต่ผู้ที่ไม่ใช่สาวกเนี่ยนะครับแต่แอบอ้างว่าเป็นสาวกอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับ อริยสาวกเขพระโสดาบันเป็นต้นไปนะหรือผู้ที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าใช้คำว่าสาวกโดยมากก็จะหมายถึงพระอริยะทั้งหลายว่าท่านไม่ล่วงละเมิดจริงๆหรือสิ่งใดที่ท่านล่วงละเมิดเพราะเหตุแห่งความไม่รู้แต่พอรู้ปั๊บเนี่ยนะครับงอกลับคืนทันทีรีบทาคืนมาท่านบอกว่า เหมือนกับเด็กอ่อนนอนแบ่เบาะเนี่ยนะครับเอามือนเนี่ยนะครับเหยียบไปถูกไฟจะรีบหดกลับทันทีฉันเดยสาวกของพระองค์บางอย่างไม่รู้ว่าเป็นวินัยนะไม่รู้ว่าเออนี่อทำนี่แล้วมันละเมิดแล้วทําไปละเมิดไปท่านจะรีบแสดงคืนเหมือนกับเด็กที่ว่าไปเมื่อกี้นั่นนะครับทันใจขนาดนั้นแม้แต่พอจะไปแสดงได้แม้ความมืดประกอบไปด้วยองค์สีก็จะไปทําคืนอาบัตินั้นนะครับจะไม่ยอมเก็บแช่ไว้ให้เป็นเพิ่มขึ้นอีกนะครับ เพราะว่าวินัยนี้เขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นอบัตวันนี้แล้วก็ปกปิดไว้พรุ่งนี้ค่อยไปแสดงจะเป็นเพิ่มอีกตวงนะครับเนื่องจากเป็นแบบนี้ท่านจะต้องรีบไปปลงก่อนสว่างจะไม่ยอมให้เป็นเพิ่มอีกวังนั้นแหละถ้าอยู่ในฐานะนพูดถึงอยู่ในฐานะที่จะไปทาได้นะครับแม้ความมืดประกอบไปด้วยองค์สี่วงนั้นจะมืดมิดฝนจะตกนะในป่าดงลึกเป็นต้นเนี่ยนะวันั้นพระพุทธเจ้า ทรงพรนามว่าพักว่าเพราะหมายความว่าทรงมีคนพักดีนะครับดังพันนาณามาชนิดคนเนี้ยพักดีจริงๆนะแล้วก็พักดีก็ไม่ได้ว่าพักดีเพิ่งพักดีอยู่แค่วันสองวันนะครับแต่ว่าพักดีมานมนานแล้วนะครับแล้วก็แผ่กระจายไปนะแต่ว่าสําหรับคนมีบุญทั้งหลายนะอย่าลืมว่าผู้ที่จะนับถือพระพุทธเจ้ า, านะท่าไม่ได้สะสมบุญเก่ามาอย่าลืมจะนับถือได้เป็นไปไม่ได้นะครับคนดีเนี่ยนะครับคนชั่วไม่นับถือเราครับเชื่อนะครับ คนชั่วก็จะนับถือคนชั่วเดียวกันนะครับเขบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเสมอกันด้วยธาตุนะครับธาตุเช่นไหรก็จะไปคล้ายๆแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอ้าวแล้วทุกคนนี่ทุกวันนี่ทํำไมเห็นคนไม่ค่อยนับถือเอามันคนละธาตุกันคนละไซ้กันคนลังงานกันคนไม่มีบุญก็ไม่นับถือพระองค์แล้วถึงจะบ้านอยู่ใกล้ๆวัดก็ยังไม่ใส่บาตรเลยนะครับในสวยพุทธการก็เหอะอย่างนั้นแหะคนไม่มีบุญก็อย่างว่า น, นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อควรจะขนานพนางว่าพัตตาวะแต่กลับขนานพนางว่าพักวะโดยเล่าลบตาอักษรเสียตัวหนึ่งแล้วแปลงตาอักษร อ, อีกตัวหนึ่งเป็นฆาอักษรตามนัยยะแห่งนิรุติศาสตร์นะครับก็คือเป็นพักวะเพราะหมายคำว่ามีคนพักดีอย่างมั่นคงเพราะเหตุที่ภาษาสดาผู้ประกอบด้วยพระคุณอันยิ่งยวดทรงมีปกติสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงมีคนพักดีมาก ฉะนั้นจึงทรงได้รับขนานพระนามว่าพักขวาคนพักดีพระองค์นี่มากจริงๆนะครับในบรรดาคนที่ถูกนับถือทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านะครับแม้คนทั่วๆไปในโลกเนี่ยนะที่จะถูกนับถือเท่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอีกแล้วในฐานะบุคคลนะครับในฐานะบุคคลเนี่ยไม่มีใครเกินกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าพักขวาเพราะมีคนพักดียางมั่นคง